รับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS w w w t h a ว PBS radio c o m กับดิฉันปราศมีมณีนินนะคะห้องสมุดหลังใหม่วันนี้ชวนคุณเรียนรู้ชีวิตโยคีตอนที่13แล้วค่ะจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษายโยคานันทะโยคีชื่อดังของอินเดียที่ไปโด่งดังในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขียนหนังสือเล่ม น, นี้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของสตวรรษเลยทีเดียวค่ะวันนี้มาฟังกันต่อนะคะถึงหนทางการสแสวงหาความหลุดพ้นการสแสวงหาความจริงหนึ่งเดียวการเข้าถึงซึ่งพระเป็นเจ้าของมุกุลทะ ที่ในเวลาต่อมาก็คือท่านปรมหังษาโยคานันทะนั่นเองค่ะท่านแสวงหามาตั้งแต่ท่านยังเด็กๆมีความคิดความฝันที่ชัดเจนในการที่จะก้าวเดินไปบนหนทางของการหลุดพ้นไม่ใช่หนทางโลกไม่ใช่หนทางแห่งโลกียะหรือว่าหนทางแห่งความสำเร็จทางโลก ความร่ำรวยความมีชื่อเสียงไม่ใช่ท่านต้องการครูบาอาจารย์แล้วก็ตอนที่แล้วนะคะท่านพยายามที่จะไปสแสวงหาที่ฮิมาลัยและเมื่อไปถึงครุที่ท่านต้องการพบก็บอกท่านว่าครูบาอาจารย์ของท่านท่านก็มีอยู่แล้ว ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ในเทือกเขาเสมอไปฮิมาลัยไม่ได้เป็นที่เดียวที่มีผู้บรรลุธรรมในถ้ำกลางท้องถิ่นอันร้อนประอุหมกุญทะได้ตื่นจากการเฝ้าฝันหาแต่เทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ชั่วนาตาปีด้วยประการละชนิดถ้าจำได้ มุกุลทะนั้นพยายามที่จะมาฮิมาลัยมาโดยตลอดมีความเชื่อที่เป็นสูตรสำเร็จอยู่ลึกๆว่าการมาหาครูบาอาจารย์ที่ใช่จะต้องมาหาที่ฮิมาลัยเท่านั้นตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะกับคำแนะนำของอโยคีที่อาจารย์บัดิตพิหารีได้แนะนำมา เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับเรื่องโยคียผู้ไม่เคยหลับติดตามได้เลยกับตอนที่13ชีวิตโยคีค่ะ ความกระหายใคร่เข้าให้ถึงองค์พระเป็นเจ้าของเธอนั้นน่าสรรเสริญนักฉันรู้สึกได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่สำหรับเธอจากนั้นท่านปราเมะโคลปานก็จับมือมุกุลทะจูงไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่ราวป่าเป็นหมู่บ้านที่งามแปลกตาแบบโบราณบ้านเรือนปลูกสร้างด้วยอิฐ ด, ดินตากแห้งหลังคา ม, มุงด้วยใบตอง และมีการปลูกไม้ดอกเมืองร้อนเอาไว้เหนือประตูตามอย่างบ้านในชนบททั่วไปท่านโยคียรามาปาลพามุกุลทะไปนั่งที่ชานไม้ไผ่ที่ต่อออกมาจากตัวกระท่อมหลังเล็กๆของท่านที่นี่มีร่มเงาหน้าเย็นสบาย หลังจากที่ดื่มน้ำมะนาวกับน้ำตาลกรวดท่านบราหมาโคปานก็พามุกุญทะไปยังลานบ้านสุดตัวลงนั่งในท่าขัดสมาธิเพชรแล้วก็เข้าสมาธิด้วยกันเป็นเวลาถึงสี่ชั่วโมงเต็มนั่งสมาธิกันนานมากนะตอนเข้าไปเจ้าลืมตาตื่นมาอีกครั้ง ร่างที่อาบด้วยแสงจันทร์ของท่านยังนั่งนิ่งไม่ไหวติ่งขณะที่ข้าพเจ้าคร่าเคร่งเตือนกระเพาะของตนว่าคนเรามิได้อยู่ได้ด้วยอาหารเท่านั้นท่านบราเมาโคปานก็ลุกขึ้นจากที่นั่งของท่านหิวแล้วสิท่ารออีกเดี๋ยวก็ได้กินแล้วท่านก่อไฟในเตาดินเหนียวตรงลานบ้านไม่นาน ทั้งคู่ก็นั่งกินข้าวกับแกงดาลหรือว่าแกงถั่วบนใบตองแผ่นโตท่านบราหมโคปานในฐานะเจ้าของบ้านปฏิเสธไม่ยอมให้มุกุลทะเข้าไปช่วยงานใดๆภาษิทฮินดูกล่าวว่าผู้มาเยือนคือพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดในอินเดียมาแต่ครั้งบรรพการ ผู้คนในชนบทของหลายๆประเทศก็ยึดถือธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกัน mm. คือจะดูแลแขกอย่างดีเรากับพระเจ้าห mm. มู่บ้านป่าเล็กๆแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากผู้คนมากมูกุลทะนั่งอยู่ข้างกายท่านโยคีในกระท่อมที่มีแสงสลัวที่ดูลี้ลับเลือนราง mm. ท่านบราหมโคปาน หาผ้าห่มขดาดๆมาปูรองพื้นให้มุกุลทะใช้เป็นที่นอนแล้วท่านก็เดินเลี่ยงไปนั่งบนเสื่อฟางเขารู้สึกติดใจในอำนาจชานของท่านปรมามมโคปานก็เลยทำใจกล้าเรียนขอต่อท่านว่าทัานโยคยีขอรับท่านจะถ่ายทอดสมาธิยานให้กับกระผมบ้างได้ไหมขอรับ เด็กเอ้ยไม่มีสิ่งใดจะทำให้ฉันยินดียิ่งไปกว่าการได้ถ่ายทอดยานในการติดต่อกับพระเป็นเจ้าให้แกเธอแต่ฉันไม่อยู่ในฐานะจะกระทำเช่นนั้นได้อาจารย์ของเธอจะถ่ายทอดสมาธิยานให้แกเธอในเร็ววันนี้ละเพียงแต่เวลานี้ร่างกายของเธอยังไม่ได้รับการปรับให้พร้อมหลอดไฟดวงเล็กที่ได้รับกระแสไฟแรงสูง ฟิวย่อมขาดหลอดย่อมแตกชั้นใดระบบประสาทของเธอก็ยังไม่พร้อมรับกระแสพลังแห่งจักรวาลฉันนั้นหากทายทอดสมาธิยานให้กับเธอในยามนี้เธอจะร้อนรุ่มราวกับเซลทุกเซลกำลังติดไฟอยู่กระนั้นเธอปราถนายานทิพจากชั้นในขณะที่ฉันยังสงสัยอยู่เลยว่า ตัวฉันไม่ใช่คนสลักสำคัญอะไรสมาธิก็ปฏิบัติได้น้อยเต็มทีถ้าฉันทำให้พระเป็นเจ้าทรงโปรดปรานได้จริงเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงฉันจะมีคุณค่าสักแค่ไหนในสายพระเนตรนอะแต่ท่านก็มุ่งมั่นสแสวงหาพระเป็นเจ้ามานานแล้วไม่ใช่หรือขอรับแต่ที่ฉันทำยังไม่ถือว่ามากพอ พีหารีคงจะเล่าเรื่องราวชีวิตของฉันให้เธอฟังบ้างแล้วฉันใช้เวลา20ปีอยู่ในถ้ำที่ไม่มีใครรู้จักทำสมาธิวันละ18ชั่วโมงจากนั้นก็ย้ายไปยังถ้ำที่เข้าออกได้ยากยิ่งขึ้นใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น25ปีเต็มปฏิบัติโยคะทุกวันวันละ20ชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อนไม่จำเป็นสำหรับฉัน เพราะฉันอยู่กับพระเป็นเจ้าตลอดเวลาเพราะเมื่อเข้าสู่สมาธิขันอภิจิตสำนึกแล้วร่างกายจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ดียิ่งกว่าการพักผ่อนตามการสั่งการของจิตใต้สำนึกซะอีกในยามหลับกล้ามเนื้อของเราจะผ่อนคลายแต่หัวใจปอดและระบบการไหลเวียนของกระแสลโลหิตยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้พักตามไปด้วยในภาวะอภิจิตสำนึกอวัยวะภายในทั้งหมดจะหยุดนิ่งไปชั่วคราวโดยได้รับกระแสพลังจากจั ก, กรวาลมาหล่อเลี้ยงเอาไว้ด้วยวิธีดังกล่าวฉันจึงไม่จำเป็นต้องพักผ่อนหลับนอนเลยตลอดหลายปีมานี้สักวันหนึ่งข้างหน้าการนอน ก็จะไม่จำเป็นสำหรับเธอเช่นกันโอ้โหท่านปฏิบัติสมาธิมาเป็นสิบสิบปีขนาดนี้ยังไม่แน่ใจว่าพระเป็นเจ้าจะโปรดปรานแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างเรายังจะมีความหวังอะไรเหลือได้อีก ลูกเอ้ยเธอก็รู้มิใช่หรือว่าเพราะเป็นเจ้าทรงเป็นนิรันด์การเมาเอาว่าเราจะตระหนักรู้ในพระองค์ได้ท่องแท้ทุกแง่มุมจากการปฏิบัติสมาธิเพียง45ปีนั้นจะไม่ฟังดูน่าขันไปหน่อยหรือกระนั้นท่านบาบาจีก็เคยยืนยันกับพวกเราว่าการทำสมาธิแม้เพียงน้อยนิด ก็ช่วยให้เราพ้นจากความหวาดกลัวต่อมรณะภัยและสภาวะหลังความตายได้อย่าเอาอุดมการในการแสวงธรรมไปผูกไว้กับภูเขาเล็กๆแต่จงเกี่ยวมันไว้กับทิพยะสมาบัติที่เธอยังไปไม่ถึงถ้าเธอมุ่งมั่นภาคเพียนสักวันจะต้องบรรลุถึงเป้าหมายนั้นอย่างแน่นอน ก็ปลอบใจทําให้มุกุลทะมีกําลังใจแล้วก็มีความหวังจากนั้นท่านบรามโคปานก็เล่าเรื่องอันนาอัศจร์ <m akes y i> เมื่อตอนที่ท่านได้พบกับท่านบาบาจีผู้เป็นครูของท่านลาฮิริมห ah ัศยะเป็นครั้งแรกให้ฟังคือ <m akes y i> ท่านศรียุคเตสวนเป็นลูกศิษย์ท่านลาหิริมห ah ัศยะ ท่านลาฮิริมหัศยะเป็นลูกศิษย์ของท่านบาบาจีเราเที่ยงคืนท่านปราหมาโคปานก็เงียบเสียงลงมูกุลทะก็ล้มตัวลงนอนบนผ้าห่มของตนแต่ทั้งทั้งที่ตาปิดอยู่คือหลับตาแล้วแต่มุกุลทะกลับเห็นแสงเป็นสายสว่างจ้า โปรงว่างอันกว้างใหญ่ในตัวข้าพเจ้าเหมือนเป็นห้องที่มีแสงวิ่งวนเป็นเส้นสายตัดกันเต็มไปหมดแม้เมื่อลืมตาขึ้นก็ยังมองเห็นแสงอันเจิดจ้าพระาตาเหล่านั้นอยู่เช่นเดิมห้องทั้งห้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของเวิ้งฟ้าอันไร้ขอบเขตที่ปรากฏแก่ตาในของข้าพเจ้าอยู่ในขณะนี้โมกุลทะทำไมถึงยังไม่นอน ท่านขอรับกระผมจะนอนหลับได้อย่างไรในเมื่อรอบตัวกระผมมีแต่แสงแปรปรานอยู่เต็มไปหมดจะหลับตาหรือลืมตาก็ยังเห็นอยู่นั่นเองประสบการณ์ครั้งนี้นับเป็นบุญวาสนาของเธอการแผ่กระแสที่พยะรังสีเช่นนี้ใช่สิ่งที่ใครจะเห็นกันได้ไง่ายง่พอฟ้าสาง ท่านบราเมโคปานก็ส่งน้ำตาลกรวดให้กับมุกุนทะแล้วก็บอกให้เขากลับไปข้าพเจ้ากล่าวคําอำลาอย่างฝืนใจเต็มทีน้ําตาเจ้ากรรมก็พานไหลพากลงทั้งสองข้างแก้มฉันจะไม่เหตเธอจากไปมือเปล่าหรอกนะฉันจะทําอะไรให้เธอสักอย่างทันยิ้ม และจับสายตามองมายังข้าพเจ้าอย่างแน่วแน่ข้าพเจ้าขยับขยืดไม่ได้เหมือนงอกรากติดอยู่กับพื้นดินกระแสแห่งสารติแผ่ซ่านออกมาจากร่างท่านซึมซาบเข้าสู่ตัวข้าพเจ้าอาการปวดหลังที่สร้างความทรมานให้กับข้าพเจ้ามาเป็นพักๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็พลันหายไปเป็นเปลิดทิ้งข้าพเจ้าสดชื่น และดื่มดำกับความสุขอันเรองรองจนน้ำตาหยุดไหลไปเองหลังจากก้มตัวลงกราบลาท่านรามาโคปานที่แทบเท้าข้าพเจ้าก็ออกเดินตัดป่าฝ่าดงไม้เมืองร้อนอันรกเรือข้ามทุ่งนานหลายต่อหลายแห่งมาจนถึงเมืองตารเกสวนที่นี่ข้าพเจ้าแวะเข้าไปสแสวงบุญอย่างเทวลาลัยซ้ำเป็นคำรบสอง และได้ก้มกายลงสักการะแท่นศิลาที่อยู่ตรงหน้าด้วยหัวใจทั้งหมดเมื่อตอนขามาไม่ได้สักการะเพราะเป็นเจ้าที่นี่จิตเข้าพเจ้ามองเห็นนิมิตเป็นภาพแท่นหินขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นห้วงจักรวาลอันประกอบด้วยวงที่ซ้อนกันอยู่วงแล้ววงเล่ามนทนแล้วมนทนเล่าทั้งหมด ล้วนสืบทอดสภาวะและคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าหนึ่งชั่วโมงให้หลังเข้าพระเจ้าก็ขึ้นรถไฟกลับกรุักกาต้าอย่างเป็นสุขการเดินทางของข้าพระเจ้าสิ้นสุดลงไม่ใช่ในเทือกเขาสูงเหยียดเสียดฟ้าแต่เป็นที่หิมาลัยในตัวอาจารย์ของข้าพระเจ้าเองและเมื่อมุกุลทะกลับมาถึง อาสมที่เซรมปอของท่านสียุคเตส่วนเราผมกลับมาแล้วขอรับอาจารย์เขารู้สึกละอายใจแล้วก็ไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีท่าทีอย่างไรในการที่เขาละทิ้งหน้าที่แล้วก็จากไปเช่นนั้นงั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวไปหาอะไรกินกัน แต่อาจารย์กลับมีทีท่าปกติเหมือนไม่มีอะไรราวกับว่าเขาหายหน้าไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงแทนที่จะเป็นหลายวันเช่นที่ผ่านมายิ่งทําให้มุกุนทะรู้สึกกระวนกระวายอาจารย์ครับกระผมคงทําให้ท่านผิดหวังมากที่จูจ่ๆกระละทิ้งหน้าที่ไปเช่นนี้กระผมนึกว่าอาจารย์จะกโกรธผมเสียอีก ครูจะโกรธเธอไปทาไมกันความโกรธนั้นอุบัติขึ้นจากความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองครูไม่เคยคาดหวังสิ่งใดจากผู้อื่นการกระทําของพวกเขาจึงทำให้ครูผิดหวังไม่ได้ครูไม่มีวันจะเอาเธอมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใดๆของตนเองครูจะเป็นสุขก็ต่อเมื่อเธอมีความสุขอย่างแท้จริงเท่านั้น ท่านเป็นครูที่น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะมูกุนถาก็ทราบซึ้งใจมากกล่าวว่าอาจารย์ขอรับเวลาได้ยินใครเอ่ย อ, อ้างถึงความรักอันสูงส่งมันฟังดูเลือนลอยนักแต่วันนี้กระผมได้เห็นตัวอย่างของความรักเช่นนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆอีกแล้วจากตัวอาจารย์ผู้ประเสริฐดุจเทพพ ย, ยดาของกระผมนี่เอง ในโลกนี้แม้แต่พ่อบังเกิดเกล้าก็ยังยากที่จะให้อภัยกับลูกในไส้ได้โดยง่ายหากลูกทอดทิ้งกิจธุระของพ่อไปโดยไม่ยอมบอกกล่าวแต่อาจารย์กลับไม่มีทีท่าคุณเคืองในตัวกระผมเลยแม้สักเล็กน้อยทั้งทั้งที่กระผมทิ้งงานค้างไว้ตั้งมากมายทำให้อาจารย์ต้องยุ่งยากลําบากใจโดยใช่ที่แท้ท้ เราสิทธิอาจารย์มองตากันพร้อมน้ําตาที่เอ่อขึ้นมาขังครอข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งความปิติอันหลากล้นตระหนักแน่อยู่แก่ใจว่าพระเป็นเจ้าในร่างของอาจารย์ทรงประทานพระเมตตาขยายขอบเขตความรักอันท่วมท้นในใจของข้าพเจ้าให้ลอยล่องไปสัมผัสกับความรักอันไพศาลแห่งทิพยสถานเบื้องบน หลังจากนั้นไม่กี่วันหมูกุนทะได้เข้าไปในห้องนั่งเล่นอันโล่งโถงของอาจารย์ในตอนเช้าเขาตั้งใจว่าจะทำสมาธิแม้ว่าความตั้งใจดีแต่ความคิดกลับไม่เป็นใจเพราะว่าใจก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนฝูงนกที่ฉวัดเฉวียนอยู่ต่อหน้านายพรานคือไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ ท่านใดนั้นเขาได้ยินเสียงเรียกของอาจารย์ดังมาจากระเบียงที่อยู่ห่างออกไปมูกุนทะตอนนั้นเขากำลังทำสมาธินนแล้วก็กำลังอยู่กับความคิดอันแสบสายพอได้ยินเสียงเรียกจากอาจารย์เขาก็งึม ง, งากับตัวเองว่า อาจารย์ชอบบอกให้เราทำสมาธิอยู่เสมอนี่นาท่านไม่น่ามารบกวนเราทั้งๆ ท, ที่ก็รู้ดีว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่ในห้องของท่านแต่ท่านอาจารย์ก็ยังคงเรียกซ้ำอีกครั้งมูกุนทะนั่งนิ่งเงียบอย่างดื้อแผงอาจารย์ก็เรียกซ้ำเป็นครั้งที่สคราวนี้เสียงแข็งมาทีเดียวอาจารย์ขอรับ กระผมกำลังทำสมาธิอยู่ mm hmm. ทำไมอาจารย์ถึงเรียกทั้งๆ ท, ที่อาจารย์ก็รู้ว่าสิก์กำลังทำสมาธิอยู่แสดงว่าท่านต้องมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง mm hmm. ติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ จากนั้นปรากฏว่าอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าครูรู้หรอกว่าเธอทำสมาธิแบบไหนจิตซายยังกับใบไม้ที่ปลิวว่อนไปตามแรงพายุอย่างนั้นมาหาครูที่นี่ซะดีๆกลายเป็นว่าเถียงไปก็ไม่ชนะแถมยังถูกท่านเปิดโปงซะอีกว่าการทำสมาธิมีปัญหาคือไม่สงบจริง มุกุลทะจึงได้แต่เดินไปหาอาจารย์อย่างเงื่องหน่อยเด็กเอ้ยผู้เขาก็ให้ในสิ่งที่เธอต้องการไม่ได้หรอกครูจะให้ในสิ่งที่ใจเธอปรารถนาดวงตาที่ครูจ้องมองมาที่มุกุลทะนั้นสงบและก็ลึกซึ้งจนสุดจะอย่างได้ อาจารย์ไม่เคยพูดให้คิดเป็นปริศนาเช่นนี้มาก่อนขณะที่ข้าพเจ้าได้แต่ยืนงงท่านก็ยื่นมือมาตบหน้าอกข้าพเจ้าเบาๆตรงเนื้อหัวใจพอดีร่างของข้าพเจ้าติดตรึงอยู่กับที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจเหมือนถูกดูดออกจากปอดด้วยแม่เหล็กยักษ์จิตและวิญญาณหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งกายหยาบ ในฉับพลันประหนึ่งแสงที่ไหลพวยพุ่งออกมาจากทุกรูขุมขนเลือดเนื้อเหมือนเหือดแห้งตายไปแต่เข้าไปเจ้ากลับมีสติระลึกรู้อยู่พร้อมสับว่าตนเองไม่เคยมีพลังชีวิตอันเต็มเปี่ยมสมบูรณ์เยี่ยงนี้มาก่อนสำนึกในตัวตนมิได้ถูกจำกัดให้อยู่ในกรอบอันคับแคบของร่างกายอีกต่อไปแต่แทรกซึมเข้าไปถึงทุกอนูที่รายล้อมอยู่โดยรอบ ผู้คนบนท้องถนนที่อยู่ไกลออกไปดูราวกับกำลังเคลื่อนไหวอย่างเนิบนาบอยู่ทางรอบนอกรากเงาของพืชพันไม้ก็มองทะลุผ่านผืนดินที่โปร่งใสลงไปเห็นได้กระทั่งอย่างไม้ที่ไหลเวียนอยู่ภายในลําต้นก็ยังไม่อาจรอดพ้นจากสายตาของข้าพเจ้าอนาบริเวณในละแวกใกล้เคียงทั้งหมดปรากฏอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า จักสุประสาทที่เคยเห็นแต่เฉพาะภาพที่อยู่เบื้องหน้าบัดนี้เปลี่ยนไปเห็นได้รอบด้านในรศมีอันกว้างไกลและเห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่างได้พร้อมกันในคราวเดียวเขาพเจ้ามองทะลุท้ายทอยของตัวเองออกไปเห็นผู้คนเดินขวักไขวยอยู่ในตรอกราอีคาตและเห็นวัวสีขาวตัวหนึ่งกาลังก้าวย่างตรงมาทางอาสมอย่างเชื่องช้า พอมาถึงหน้าประตูอาสมที่เปิดอยู่เข้าพเจ้าก็พินิจพิจ ด, ดูราวกับใช้สองตาแท้ๆของตนไม่ปาจนมันเดินผ่านไปทางด้านหลังกำแพงอิดของลานอาสมแล้วเข้าพเจ้าก็ยังมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนอยู่นั่นเองสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ภายในรัศมีการมองเห็นของเข้าพเจ้าสั่นไหวและเต้นระริก เหมือนภาพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบนจอภาพยนตร์ร่างกายของข้าพเจ้าของอาจารย์ลานอาสมที่มีระเบียงเสาล้อมรอบเครื่องเรือนของพื้นห้องแมกไม้กับแสงแดดไหวกระเพื่อมอย่างรุนแรงเป็นพักๆจนกระทั่งถูกกลืนหายเข้าไปในทะเลแสงอันเรืองรองคล้ายโยนผึกน้ำตาลลงในแก้วน้ำ แล้วเขย่าจนน้ำตาลนั้นละ ล, ลายกลายเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำแสงอันทรงไวซึ่งเอกภาพปรากฏให้เห็นสลับกับภาพวัตถุธาตุนานาเป็นปรากฏการณ์ที่เผยให้เห็นถึงกฎของเหตุและผลจากการสร้างสรรค์ความสุขอันลึกซึ้งและไพศาลดุดมหาสมุทรศาสตร์ตรเข้าหาวิญญาณของข้าพเจ้า ซึ่งเปรียบเสมือนชายฝั่งอันสงบนิ่งและกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเข้าพเจ้าตระหนักได้ในชั่วขณะจิตนั้นว่าธรรมชาติแห่งองค์พระเป็นเจ้าคือความปิติสุขที่ตักตวงได้ไม่มีวันหมดสิน้นประกายแห่งพระองค์คือประกายแสงระยิบระยับนับอนเนกอั น, นันต์แสงอันชดช่วงภายในตัวของเข้าพเจ้า เริ่มขยายวงออกครอบคลุมเมืองต่างๆทวีปทั้งหลายโลกระบบสุริยะและดาวบริวากรกลุ่มหมอกฝุ่นกา๊าซและจักรวาลอนันต์จักรวาลที่ลอยตัวอยู่อย่างอิสระจักรวาลที่สว่างเรืองด้วยแสงอันนวลตาเหมือนเมืองที่มองเห็นอยู่ไกลๆในยามค่ําคืนส่องแสงเลือนราง อยู่ภายในตัวตนอันไร้ขอบเขตของข้าพเจ้าผลแนวขอบโลกอันคมชัดออกไปแสงอันพร่าพรายบริเวณรอบนอกสุดจะอ่อนละมุน ล, ลงเล็กน้อยณที่นั้นข้าพเจ้าเห็นรัศมีอันเย็นตาแผ่ออกเป็นวงกว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นแสงที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าจะอธิบายเป็นคำพูดได้ภาพต่างๆบนโลกใบนี้ ล้วนก่อเกิดขึ้นจากแสงที่มีอนูใหญ่กว่าทั้งสิน้นพรายแสงเหล่านี้พวยพุ่งออกจากแหล่งกำเนิดอันเป็นอนันตการประทุแตกออกเป็นกาแล็กซี่น้อยใหญ่ห่อหุ้มด้วยรัศมีอัน ง, งดงามสุดพันนาข้าพเจ้าเห็นแสงต้นกำเนิดควบรวมกันเป็นกลุ่มดาว แล้วสลายกลายเป็นไฟอันปโปร่งใสและบางเบาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทางกลับกันพิภพนับโกฎแสนล้านก็เปลี่ยนกลับไปเป็นแสงเพลิงอันรุ่งโรจน์โชดช่วงก่อนที่เปลวเพลิงนั้นจะแปลสภาพไปเป็นเวื้องฟ้าหลังคาสวรรค์ข้าพเจ้ารับรู้ได้ว่าศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นสูงสุดนั้นคือจุดรับยานในใจของข้าพเจ้า ประกายแสงอันรุ่งโรดถูกปล่อยจากแกนร่างของข้าพเจ้าถอทาบสู่โครงสร้างทุกส่วนของจักรวาล น, น้ำอำมฤตอันนำมาซึ่งความกเกษมสันแพร่ซ่านไปทั่วร่างของข้าพเจ้าในรูปของของเหลวที่เหมือนกับประลอดรอบตัวได้ยินแต่พระสุรเสียงแห่งการสร้างสรรค์กังวานเป็นคำว่าโอมอันเป็นแรงสั่นสะเทือนของแรงขับเคลื่อนแห่งจักรวาล ดังสะเทือนเลื่อนลั่งท่านใดนั้นลมหายใจก็หวนคืนสู่ปอดเขาพเจ้าผิดหวังจนแทบจะทนไม่ไหวเมื่อได้ตระหนักว่าตนเองได้สูญเสียความเป็นนิรันด์อันโมโหรานหาขอบเขต ท, ที่สิ้นสุดไม่ได้ไปและต้องกลับมาติดแงกอยู่ในร่างอันเปรียบเสมือนกรงขังแห่งความอับยศ ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการรองรับองค์พระเป็นเจ้าเลยจริงๆเปรียบไปแล้วเข้าไปเจ้าก็เหมือนเด็กใจแตกที่หนีออกจากบ้านหลังใหญ่โตโอโทงอย่างจั ก, กรวานอันไพศาลมักขังตัวเองอยู่ในร่างของมนุษย์อันเล็กกระ้อยร้อยเห็นอาจารย์ยืนนิ่งอยู่ต่อหน้าเข้าไปเจ้าจึงสุดตัวลงกราบคารวะท่านที่แทบเท้าด้วยความซาบซึ้งในพระคุณที่ท่านกรุณาช่วยเหลือ ให้เขเจ้าได้มีโอกาสเข้าถึงจิตสำนึกแห่งจักรวาลอย่างที่ร่ำร้องต้องการมานานท่านประคองขบจ้าให้ลุกขึ้นแล้วบอกด้วยเสียงอันราบเรียบว่า <c oughs> เธอต้องไม่คลองติดอยู่กับปิติสุขนี้จนสลัดไม่หลุดในโลกนี้ยังมีกิจการงานรอให้เธอไปทำอีกมากมายไปเถิดไปกวาดประเบียงจากนั้นคอยออกไปเดินเล่นที่แม่น้าคงคา มุกุลท้าหยิบไม่กวาดมาทำงานอย่างขมีขมันรู้ดีว่าอาจารย์กำลังสอนเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลให้วิญญาณต้องเดินทางผ่านช่วงเวลายาวนานของปรักการก่อกำเนิดจั ก, กรวาลและสรรพสิ่งขณะที่ร่างกายปฏิบัติภาระหน้าที่ไปในแต่ละวันแม่เมื่ออาจารย์กับมุกุลทะาออกเดิน เขาก็ยังคงดื่มดำอยู่กับปิติอันยากที่จะพัฒนามองเห็นร่างของเขาและของอาจารย์เป็นร่างทิพย์สองร่างที่ลอยเลื่อนไปตามถนนเลียบริมแม่น้ำซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นเพียงแสงเท่านั้นนี่เป็นการบรรยายสภาวะที่น่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวค่ะอาจารย์สียุคเตสวนก็บอกว่า สรรพสิ่งและสรรพกำลังทั้งหลายในจักรวาลล้วนมีพลังแห่งพระเป็นเจ้าคอยพดุงและก็ค้ำจุนเอาไว้ทั้งสิ้นพระองค์อยู่เหนือโลกวิเวกอยู่ในความว่างอันอุบัติขึ้นด้วยตนเองและเป็นมูลฐานของปิติสุขอันยิ่งใหญ่ผลจากปรากฏการณ์ของพลังสั่นสะเทือนและกระแสแห่งวิสัยโลกทั้งปวง ผู้บรรลุธรรมในยามมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้ในสองสภาวะพร้อมกันนั่นคือแม้ในขณะประกอบกิจการงานทางโลกอยู่ด้วยสติอันรู้พร้อมจิตของพวกเขาก็ยังดื่มด่ำอยู่กับปิติอันลึกซึ้งจากภายในการที่มิตรเห็นภาพจั ก, กรวาลในครั้งนี้ ทิ้งบทเปลียนที่ทำให้มุกุลทะจดจำได้ฝังใจอีกหลายบทการฝึกควบคุมความคิดไม่ให้แสสายในทุกๆวันทำให้เขาปลดเปื้องความยึดมั่นถือมั่นผิดผิดที่ว่าร่างกายประกอบขึ้นจากเลือดเนื้อและกระดูจนสามารถข้ามพน้นธาตุภูมิแห่งวัตถุธรรมมาได้ผู้กุณทะมองว่าลมหายใจที่ไม่สม่าเสมอและจิตที่แสสาย เปรียบได้กับพายุที่พัดกระหน่าเข้าใส่ทะเลแสงให้ปั่นป่วนและผันแปรไปเป็นกระแสะคลื่นประกอบขึ้นเป็นวัตถุธาตุหลากหลายรูปลักษณ์อาทิแผ่นดินผืนฟ้ามนุษย์สรรพสัตว์นกและต้นไม้หน า, น า, นาหากสยบพายุเหล่านี้ให้สงบลงไม่ได้ก็ไม่มีทางมองเห็นพระเป็นเจ้าในรูปของแสงอันเป็นเอกภาพได้ และยิ่งควบคุมลมหายใจและความคิดให้นิ่งได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมองเห็นกระแสแห่งวัตถุธาตุนานาล้อมละลายกลายเป็นทะเลแสงอันสว่างสวัยมากขึ้นดุจเดียวกับคลื่นในมหาสมุทรที่ย่ำคลี่คลายเป็นผืนน้ำอันสงบนิ่งผืนเดียวกันหลังพายุอันอึงอนผ่านพ้นไป ครูบาอาจารย์จะให้สิทธิ์ได้รับยานทิพย์ของจิตสำนึกแห่งจักรวาลได้เมื่อสิทธนั้นได้ฝึกสมาธิจน จ, นจิตกล้าแข็งพอที่จะรองรับภาพนิมิตอันไพสารได้โดยไม่ตกเป็นฝ่ายที่ถูกนิมิตครอบงำ mm hmm. ก็คือครูก็จะต้องดูว่าจิตของลูกศิษย์เนี่ยพร้อมหรื อ, อยังยานทิพย์ที่ว่านี้ เป็นที่หวังได้แก่สาวกผู้มีความพักดีต่อพระเป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์เป็นที่แน่นอนและเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนี่เป็นประสบการณ์ทางจิตที่สำคัญในขณะที่ท่านโยคานันทะเป็นเด็กหนุ่มที่มุ่งแสวงหาการบรรลุธรรมแล้วก็คิดว่าฮิมาลัย คือจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เขาค้นพบสภาวะนี้แต่ปรากฏว่าเขากลับค้นพบสภาวะนี้จากอาจารย์ซึ่งอยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ที่ฮิมาลัยสถานที่ไม่เกี่ยวอาจารย์สียุคเตสวนได้สอนวิธีเข้าฌานที่ยังจิต ลงสู่ทิพยยสภาพได้ตามใจปรารถนาให้กับมุกุลทะและก็สอนวิธีถ่ายทอดยานทิพนี้ให้กับบุคคลอื่นซึ่งได้พัฒนาจิตจนถึงขั้นที่พร้อมเปิดป ร, รับได้แล้วหลังประสบการณ์เข้าถึงสภาวะปีติสุขได้เป็นครั้งแรกมุกุลทะยังได้เข้าชาญต่อมาอีกหลายเดือน แล้วก็ซาบซึ้งแก่ใจเพิ่มขึ้นทุกวันว่าเหตุใดคำพีอุปนิสัตจึงกล่าวว่าพระเป็นเจ้าคือรถและก็เป็นรถที่โอชะเหนือรถทั้งปวงถ้าเป็นของพุทธเราก็คือสภาวะของการเข้าสมาธิการเข้าฌานการมีจิตเป็นหนึ่งเอกัคคตา ก็เป็นสภาวะที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรื่องของสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้านี่เป็นภูมิปัญญาโบราณที่อินเดียได้ค้นพบพัฒนาแล้วก็ดำรงอยู่อย่างสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเช้า ว, วันหนึ่งคะ่ะมุกุลทะก็ไปถามอาจารย์ว่า อาจารย์ขอรับกระผมอยากรู้ว่าเมื่อไหรกระผมจะได้พบพระเป็นเจ้าเสียทีเธอก็ได้พบแล้วนี่ยังเลยขอรับอาจารย์กระผมยังไม่ได้พบเลยอาจารย์ยิ้มก่อนจะบอกว่าครูเชื่อว่าเธอคงไม่วาดหวังว่าจะได้เห็นพระผู้ควรค่าแก่การสักการะบูชาประทับอยู่ เหนือประแท่นรัตนบัญยองในที่อันสะอาดปราศจากเชี้วโรคณนะมุมหนึ่งมุมใดของจักรวาลแน่แต่ครูก็รู้ด้วยว่าในมโนภาพของเธอการได้ครอบครองที่พยะอำนาจถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบุคคลได้พบพระเป็นเจ้าแล้วซึ่งไม่จริงเลยคนบางคนอาจมีอำนาจควบคุมจักรวาลได้ทั้งจักรวาล แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะเป็นเจ้าอยู่ดีจิตวิญญาณอันจเจริญในธรรมนั้นม่อาจวัดได้ด้วยการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ผู้อื่นเห็นเป็นประจักษ์แต่ต้องวัดจากการเข้าสมาธิว่าเขาสามารถยังจิตให้ดิ่งลงสู่ปิติได้ลึกแค่ไหนเพราะเป็นเจ้าคือปิติสุขที่บังเกิดขึ้นใหม่ในทุกขณะจิตพระองค์คือความสุข ที่ตักตวงได้ไม่มีวันหมดสิ้นในขณะที่เราภาคเพียรทำสมาธิติดต่อกันปีแล้วปีเล่าพระองค์จะทรงคิดประดิษฐนานาสารพัสสิ่งทำให้เราเพลิดเพลินแต่สาวกผู้พบหนทางเข้าถึงพระองค์แล้วอย่างตัวเธอเองย่อบไม่มีความคิดจะเอาพระองค์ไปแลกกับความสุขอื่นใดทั้งสิ้น ทรงมีพลังดึงดูดใจเราอย่างไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบได้ดูเอาเถิดว่าเราช่างเบื่อหน่ายความสุขทางโลกได้ง่ายได้นะักมนุษย์มีความอยากได้ใครมีไม่มีที่สิ้นสุดไม่เคยรู้จักพออย่างแท้จริงมีแต่จะดิ้นรนไขว่คว้าได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ยังต้องการสิ่งอื่นต่อไปอีก สิ่งอื่นที่เขาแสวงหาคือพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นเพียงผู้เดียวที่จะประทานความสุขอันเป็นนิรันดให้กับเขาได้ความปรารถนาในสมบัตินอกกายเป็นปัจจัยผลักดันให้เราละทิ้งแดนสุขาวดีที่อยู่ภายในใจของเราเองสิ่งที่มันหยิบยื่นให้กับเราคือความสุขจอมปลอมที่ลอกเลียนแบบมาจากความสุขที่แท้จริงในจิตวิญญาณ การเจริญสมาธิจะช่วยให้เราได้สวงสวรรค์ที่สูญหายไปกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วและด้วยเหตุที่พระเป็นเจ้าทรงเป็นความแปลกใหม่ที่อยู่เหนือความคาดคิดในทุกขณะจิตเราจึงไม่มีวันเบื่อหน่ายในพระองค์ขึ้นชื่อว่าความปิติสุขที่แปลเปลี่ยนได้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ เราจะมีวันอิ่มวันไหนในปิตินั้นได้ฉันใดเราผมเข้าใจแล้วขอรับอาจารย์ว่าเหตุใดโยคีผู้บรรลุธรรมจึงยกย่องพระเป็นเจ้าให้เป็นพระผู้ทรงความลึกล้ำจนสุดที่จะยังได้แม้ชีวิตจะยืนยาวจนถึงขนาดไม่มีวันตายก็ยังไม่พอที่จะให้เรายัางซึ้งถึงความลึกล้ำของพระองค์ได้จึงแท้ทีเดียว แต่พระองค์ก็ทรงอยู่ใกล้เราและทรงรักเรายิ่งนักเมื่อเราปฏิบัติกริยายโยคะจนขจัดอุปสรรคอันเนื่องมาจากประสาทสัมผัสทั้งห้าออกไปจากจิตได้แล้วการเจริญสมาธิย่อมนำมาซึ่งข้อพิสูจน์เกี่ยวกับองค์พระเป็นเจ้าถึงสองประการด้วยกันความสุขซึ่งบังเกิดขึ้นในทุกขณะจิตคือหลักฐานยืนยันถึงการดารงอยู่ของพระเป็นเจ้า ที่ทุกอนูในกายเราสามารถรับรู้ได้กับทั้งในขณะเจริญสมาธิเราจะรับรู้การชี้แนะจากพระองค์ได้โดยพลันไม่ว่าเราจะพบอุปสรรคหรือความทุกยากใดๆจะประทานความช่วยเหลือให้ตามสมควรทุกครั้งไปกระผมเข้าใจแล้วขอรับอาจารย์อาจารย์ช่งางไขข้อข้องใจของกระผมได้กระจ่างนะ จนถึงตอนนี้กระผมจึงแจ้งใจว่าตนเองได้พบพระเป็นเจ้าแล้วเมื่อใดก็ตามที่ปิติจากการปฏิบัติสมาธิหวนคืนสู่จิตใต้สำนึกในขณะที่กระผมกำลังจดจ่อต่องานที่ทำนั่นหมายความว่าพระองค์ทรงชี้นำให้กระผมก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องในทุกเรื่องไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆ ชีวิตมนุษย์มีแต่จอมจมอยู่กับความทุกข์จะสิ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้วิธีปรับจิตให้เข้ากับพระประสงค์แห่งพระเป็นเจ้าแต่หนทางที่ถูกต้องของพระองค์ก็มักจะสร้างความงุนงงให้กับปัญญาที่ถือเอาอัตตาเป็นใหญ่อยู่เป็นนิดมีเพียงพระเป็นเจ้าเท่านั้นที่ประทานคำปรึกษาให้เราได้โดยไม่ผิดพลาดแล้วใครเล่า จะแบกรับภาระอันหนักอึ้งของจักรวาลเอาไว้ได้หากมีใช่พระองค์ China, บทนี้อาจจะหนักไปทางสภาวะสักนิดแต่ถ้าเราฟังด้วยสมาธิฟังอย่างตั้งอกตั้งใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งเดียว <I am. S 1> กับเรื่องของการปฏิบัติ อาจจะต้องใช้โอกาสฟังอย่างละเอียดนะคะ <am> นี่คือสภาวะที่โยคีจะต้องได้ผ่านพบและเรียนรู้ <am> ผู้ปฏิบัติของพุทธศาสนา <am> บางคนก็มีโอกาสได้พบเช่นเดียวกัน เพราะนี่คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติเพียงแต่การเข้าถึงเข้าถึงได้โดยเส้นทางที่แตกต่างกันเท่านั้นเองชีวิตโยคีน่าสนใจนะคะจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีโดยท่านปรมะหังษาโยคานันทะโยคีชื่อดังของอินเดีย ับจุนท่านไม่อยู่แล้วนะคะจากไปเมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วแล้วก็มีหนังสือเล่มนี้ที่เป็นอัตชีวประวัติของท่านเป็นหนังสือการสแสวงหาทางจิตวิญญาณที่น่าอ่านแล้วก็ดีที่สุดเล่มหนึ่งในศตวรรษนี้ค่ะคนบางคนเกิดมาเพื่อที่จะบรรลุหลุดพ้นไปจากกรอบกรงขังพันธนาการ คนบางคนเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะนึกถึงพระภิกษุที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางรูปท่านบอนทูบีจริงๆค่ะท่านประมะหังษาโยคานันทะก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคือชีวิตของท่านมีแต่การสแสวงหาในทางธรรมต้องการบรรลุธรรมต้องการเข้าถึงพระเป็นเจ้าถ้าเป็นของเราก็คือต้องการที่จะเข้าถึงธรรมะความจริงสูงสุด การพัฒนาไปอย่างศั ก, กยภาพสูงสุดเท่าที่มนุษย์จะพึงมีพึงเป็นแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะตอนหน้าชื่อว่าโจรขโมยดอกกละลำ <Love> ตอนนี้จะบอกอะไรกับเราเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะติดตามได้ตอนหน้ากับชีวิตโยคีสวัสดีค่ะ